นอบน้อมต่อคุณพระตัตนไตรโอกาสเพื่อนสารมิกทุกท่านเจริญธรรมสามเนนไม่ชีระยะทำทุกท่าน <c oughs> ก็วันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเนาะในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สามสิบแล้วก็ถือเป็นวันสุดท้ายสำหรับคอร์สปฏิบัติธรรมเข้มสี่สิบวันเนาะ ซึ่งนักปฏบัติเราก็ตั้งใจปฏบัติมาตลอดพรรษาเนาะโดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มแม่ชีนี่ก็ได้สังเกตดูก็เคยเดินไปดูก็ตั้งใจมาทํากันดีเนาะไม่ค่อยได้พูดคุยอะไรกันนะแล้วก็อก็ถือว่าน่าจะเราก็คงจะได้อะไรกลับบ้านะหรือว่าติดไม้ติดมือไปกับวัดอของเรานะหรือแม้แต่อยู่วัดเราเองก็คงจะได้อะไรอยู่เนาะ ตรงนี้ก็แล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าเราก็อาจจะมีอุปสรรคพอมควรเพราะว่าฝนก็ตกอยู่เรื่อยๆแต่การบัตรธรรมก็ผ่านมาโดยดีเนาะคราวนี้เราก็นำไปไปฏิบัติธรรมต่อเนาะไม่เชื่อว่าเราบเพียงแค่สี่สบวันแต่ว่าการมัตรธรรมก็คือ ม, มันอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วนะอาจจะเรียกว่าปฏิบัติตลอดทุกๆวัน อ่สามรอยหกสิบห้าวันเนี่ยทุกๆวันนั่นเองเนาะคราวนี้อ่าไม่ใช่ว่าเราเข้มตรงไหนนะคําว่าเข้มบางคนก็อาจจะความรู้สึกของบางบางคนคืออันนี้ก็จะเคยพูดไปแล้วในระยะแรกบอกว่าคําว่าปฏิปธรรมเข้มไม่ใช่ว่าเราอ่าตั้งใจมากเกินไปนะหรือว่าไปอ่มีความพยายามจนมากเกินไปมันก็กลายเป็นไปเพ่งเอาเกือบหมดนะในระยะแรกก็พยายามแก้ในตรงนี้อยู่ว่าอย่าไปเพ่งเราเนาะ ว่าเมื่อตั้งใจบัติธรรมแล้วเนี่ยมันกลายว่าเราต้องทำให้มันเข้มข้นหรือว่าต้องรู้ตลอดเวลาไม่เผลอเลยอะไรเนงะี้ยอันนั้นก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเนาะเพราะนั้นคำว่าปบัติธรรมเข้มก็คือให้ อ, อยู่กับการปบัตธรรมทั้งวันนะั่นแหละตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนนะก็ให้รู้เรื่อยๆไปนะรู้บ่อยๆนะรู้ตลอดเวลา ตรงนี้มันก็คือรู้รู้บ้างเผอบ้างเนาะมันไม่เทว่ารู้ตลอดเวลาโดยไม่เผอเลยเนาะครนะั้งนะี้ถ้าเราเอนำสิ่งเราเนี่ยไปนะก็เราว่านำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะเพราะว่าเราบำบัดมาหลายวันแล้วแล้วก็รู้ ร, รู้สึกตัวได้บ่อยๆเนาะบางทีนะั่จะมีพระที่จะมาสึกกับปตมาอยู่ก็จะถามว่าเ อ, อ่บวชมากี่วันแล้วนะ บางคนบอกว่าบวชมากี่วันบ้างนะสิกว่าวันหรือหนึ่เดือนอะไรเงี้ยก็ถามว่าไปบัติแล้วได้อะไรบ้างก็บอกว่าบางคนบอกว่ารู้สึกตัวได้นะหรือเห็นความคิดนะหรือว่าอาจจะมีบางอย่างที่ว่าทําให้สามารถระลึกได้นะหรือว่ารู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆเนาะก็จะแนะนำบอกว่าเนี่ยมาบวชแล้วก็ ตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราได้มาศึกษาเรียนรู้แล้วนะไม่ใช่ว่าเราปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้กลับไปบ้านแล้วเราก็ไม่สนใจไปไปบัตธรรมต่อมันก็เหมือนกับว่าเรากข้ามาบวไปฟีเนาะแล้วก็ให้ให้นำไปไปบัตธรรมต่อเพราะสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะการเป็นพระหรือเป็นโยมมันก็เหมือนกันจิตใจมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหรหรอกมันเพียนว่าเปลี่ยนเครื่องแบบเท่านั้นเอง แต่จิตใจเราถ้ามีได้รับธรรมะในระดับหนึ่งแล้วถึงว่าจะกลับไปบ้านมันก็ไม่ได้หายไปไหนหมดนะมันก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้จริงๆนะเพราะการที่เรารู้สึกตัวนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่านะมันจะต้องไปทำอะไรที่ผิดปตินะเช่นอาจจะเป็นั่งสมาธิตามป่าตามเขาหรือต้องไปหาที่เ ง, เงียบๆนะทีนะ่ที่สัปปายะอะไรนะมันไม่จาเป็นนะ เรากลับไปแล้วเราก็ทำได้ทุกๆแห่งนะบางทีกลับไปแล้วบางคนไปทำงานอาจจะเจอเจ้านายนะเจอเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องเรานะมันจะต้องเจออารมณ์ต่างๆมากมายนะอารมณ์ที่เจอมันจะต้องไม่ใช่เป็นอารมณ์ที่ดีนะมันการทำงานมันต้องมีการขัดแย้งการที่ไม่เห็นด้วยนะการขัดข้องใจนะต่างๆมากมายเนาะ ถ้าเรานำธรรมะจากการปฏิธรรมนี่ไปใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็ไปไปทุกข์อย่างเดิมนะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรานํากลับไปแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้จริงจริงแล้วนะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะธรรมะนี่เป็นสิ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงอชีวิตเราอย่างแท้จริงนะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเล่นๆเนาะนะถ้าเราเข้าไปถึงแก่นแล้วมันก็เปลี่ยนจิตวิญญาณเราได้เลยนะตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราสามารถทําได้จริงๆ ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องผูเ้เล่นเล่นผู้เล่นเล่นแล้วมันปฏบัติมันก็คงไม่ได้ผลอะไรหรอกเนาะเพราะฉะนั้ น, ะนนะไม่ว่าทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เนาะจะได้มากหรือได้น้อยเราก็สามารถที่จะนํากลับไปใช้ไดนะ้ไม่ว่าจะเป็นเป็นพระเป็นแม่ชีหรือเป็นโยมมันก็นําไปใช้ได้ทุกๆกคนอยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าจิตใจเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมนะการเปลี่ยนแปลงก็ันก็มีระดับ ระดับนึงนะว่าเราเปลี่ยนแปลงในระดับนิสัยนะนิสัยที่ว่าเราอาจจะเป็นคนโกรธเก่งนะหรือว่าอิจฉาเก่งนะหรือว่าขี้บน่นขี้หงุดหงิดทั้งหลายแล้วเนี้ยอันนี้ก็เป็นนิสัยที่ไม่ดีนะอะเมื่อเรารู้ทันอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีเหล่านี้มันก็มันก็จะน้อยลงนะมันอาจจะไม่ผลบดไปทีเดียวหรอกอต้องเป็นภานาคามีนะจึงจะหมดไปนะ ติฆะหรือความไม่พอใจนะความโกรธมันก็หมดไปในระดับภาณาคามีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ถึงระดับนั้นก็ไม่เป็นไรนะมันไม่จําเป็นต้องหมดไปก็ไม่เป็นไรนะเราก็รู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไปนะเข้าก็น้อยลงไปเข้าก็หายไปเนาะจากการที่เราอารมณ์พวกนี้มันหายไปเราก็รู้สึกว่านะความทุกข์มันก็น้อยลงไปเยอะแล้วเนาะ อันนี้เมื่อเราเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะมันมีเวลานานอาจจะเปลี่ยนไปถึงสันดานได้เลยนะสันดานก็คื อ, อ น, นิสัยเก่าๆของเราต่างๆที่ไม่ดีที่มากมายอยู่ในฝังอยู่ในจิตใจลึกๆของเรานั่นแหละอยู่ในจิตใต้สานึกก็มีนะมันก็ฝังอยู่ภายในลึกๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะอย่างเราสังเกตสมัยเด็กๆมันที่เราจะเป็นคนนิสัยอย่างหนึ่งนะมันหรือวัยรุ่นเราจะเป็นนิสัยอย่างหนึ่งมันจะผิดกับตอนนี้เยอะนะ อาจจะใจร้อนมากกว่านี้นะหรือพูดพูดคำด่าคำนะอะไรขี้ฉามากมายนะแต่พอมาถึงทุกวันนี้มันสังเกตได้ไหมว่าจริงจมันไม่ได้เปลี่ยนแค่อนิสัยนะมันเปลี่ยนไปถึงสันดานนะสันดานที่มันติดมาจากอดีตชาตินั่นแหละมันแสดงมากมากมายเนาะมันก็เปลี่ยนได้เยอะเลยนะเปลี่ยนมานะมันก็ถ้าเปลี่ยนถึงระดับสันดานได้มันก็มันก็ถือว่ามันไม่กลับไปแล้วนะไม่ไม่กลับไปที่ว่าเป็นอย่างเก่า ที่ว่านิสัยเราไม่ดีสมัยก่อนมันก็ไม่กลับไปนะมันก็รู้เท่าทันได้มากขึ้นแล้วมันก็ไม่ไม่กลับไปเป็นของเดิมนะมันก็จะกลายเป็นว่าอ่ามันก็เปลี่ยนสันดานได้เนี่แหละมันมันมันเรียกว่ามันทําให้พบชาติเราลดน้อยลงเนาะนะมันเป็นอนุสัยเก่าๆที่เราเคยติดมาอ่านับพบนับชาติไม่ทวนแล้วนะความโลภความโกรธความหลงต่างๆเนี่ยมันมันติดในอ่ากรมลสันดานหรือว่าเป็น อ่อุปนิสัยเดิมๆของเราน ะ, นะพวกเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะจากอาสวะกิเลสทั้งหลายในใจเราในหละมันมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้จากการที่เราสามารถมาปฏิบัติธรรมรู้เท่าทันเข้าบ่อยะในสุดก็ค่อยๆลดลงลดลงนะตรงนี้มันมีประโยชน์มากที่ว่าอ่าพชาติเราจะได้สั้นลงนะมันมันจะสั้นลงไปเรื่อยๆถ้าเรายังมีกิเลสเท่าเดิมนะหรือว่า ก็เป็นไปตามอนิสัยเก่าๆสันดานเดิมๆที่ว่ามันสั่งสมมานับผมนับชาติไม่ท้วนนะมันดองในสันดานเราอยู่ใช่ไหมตรงเนี้มันก็จะไปเวียนไว่ายตายเกิดอีกนับพบนับชาติไม่ท้วนเหมือนกันนะแต่เมื่ออสันดานที่มันดองกิเลสเรามานานแล้วเนี่ยมันมันน้อยลงนะมันก็จิตใจของเรานะมาแต่ในจิตใต้สำนึกมันก็จะถอดถอนอะพวกนี้ขึ้นมานะมันก็จะลอยฟ้องขึ้นมาทั้งหมดเนาะ กินเละต่างๆามมันก็ค่อยๆออกมาข้างบนแสดงเราเห็นนะเราไปวิบัติธรมมันก็มีกิเลสให้เราเห็นมากมายมามันก็เห็นไม่บ่อยนะมันการนี้มันเห็นไบ่อยนะมันก็ลอยฟ้องขึ้นมาข้างบนแล้วอีกหน่อยมันก็ค่อยๆเบาลงนะมันก็กลายเป็นมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนตรงนี้ทําให้เราคบชาติเราลดน้อยลงสั้นลงไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้ว่าอาจจะแค่เหลือแค่เจดชาติก็ได้เนาะหรืออาจจะเหลือแค่หนึ่งชาตินะเหลือจะจบ ไม่ต้องมีพบชาติต่อไปนะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะขุดคุยกิเลสสันดานเก่าๆของเราลึกๆออกมาได้มากมายขนาดไหนนะเราให้เขาจากไปให้เขาปล่อยไปมันหมดไปนะมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องไปยึดถือหรือว่าต้องไปเสียดายกับกิเลส ท, ทั้งหลายแหล่เหล่านั้นนะในท่สุดมันก็ในกมลสันดานเรามันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆโดยเราไม่รู้ตัว น, นี่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบไว้เหมือนกับว่าช่างไม้นะก็นํานํามีดมาทําการทํางา น, นในสุดด้าบมีด ก, ก็จะสึกไปนะแต่เราไม่รู้ว่าสึกไปวันละเท่าไรหร่หรอกแต่ว่าเมื่อนานไปก็จะรู้สึกว่ามันก็สึกไปนะนั่นนั่นก็คือเราไม่รู้ว่ากิเลสเราสึกไปหายไปวันละเท่าไหร่แต่เมื่อนานไปก็รู้สึกว่ามันก็น้อยลงนะมันก็เบาลงี่แหละมันแสดงเราปฏิบัติธรรได้ถูกต้องแล้วเนาะ แต่เราไปปฏิธรรมแล้วมันไม่ถูกต้องหรือมันน่าจะอ่าเดินทางผิดมันก็สังเกตได้นะมันก็รู้สึกว่ากินอะไก็ไม่ได้ลดลงนะหรือว่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นมาซะอีกมันแทนจะลดลงกลับเพิ่มมาซะอีกหรือเท่าเก่า น, นี่มันก็แสดงว่าเราอาจจะไม่ถูกทางเนาะเพราะเราก็ต้องทําให้ถูกทางมันก็เบาลงไปเรื่อยๆนะหนทางที่เรียกว่าตรงนี้มันไม่ไม่ได้เป็นของยากครูบาอาจารย์ท่านก็เดินผ่านมาแล้ว แต่บอกให้เราเดินไปทางนี้นะอ่าถ้าเราเดินตามไปแล้วก็มีโอกาสที่จะถึงอ่าเช่นเดียวกับท่านนะแต่ก็ น, นี้ที่สังเกตดูก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าพ อ, อสังเกตได้ว่าทําไมครูบาอาจารย์หลายๆองค์ท่านบรรลุธรรมได้เร็วนะอะ่แล้วทำไมพวกเราที่อ่าเราจริงๆแล้วก็ขยันไม่น้อยกว่าท่านนะอ่าหรือว่าความเข้าใจธรรมะเราก็ไม่น่าจะน้อยกว่าท่านแต่ทำไมเราถึงช้ากว่าท่านเพราะว่าจริงๆแล้วท่านก็มีบา ร, รมีมากกว่าเรานะท่านเคยไปบวช ม, มารับพบรับชาไม่ทั่วแล้วล่ะ พอได้ฟังธทำหรือปฏิบัติทำไม่นานท่านก็เข้าถึงธรรมได้เร็วนะเพราะว่าของเก่าท่านสร้างสมไว้เยอะใช่หไหมแต่ว่าเราอาจจะเคยทํามาบ้างนะคือถ้าพวกเราไม่เคยปฏิบัติไม่เคยมาสนใจทางนี้เราก็คงไม่ไม่เข้ามาทางนี้หรอกคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่เข้ามากันนั่งเยอะแยะใช่หไหมเขาก็อันนี้บางทีเขาจะไม่เคยปฏิบัติในทางนี้มาก่อนไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะมาก่อนนะแต่พวกเราก็เคยทํามาบ้างแล้ว แต่ว่ามันอาจจะยังไม่เข้มข้นนะหรือว่ามันอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงทับจริงๆนะหรืออาจจะทาได้บ้างก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่มากนะเราก็เหมือนกับน้ําที่องศามันยัง น, น้อยๆอยู่นะอาจจะสักห้าหองศานะแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ต้มมาในระดับหนึ่งแล้วท่านก็อาจจะสักเจ็ดสิบแปิองศาแล้วนะมามาต้มใหม่ก็ใช้เวลาไม่นานท่านก็ถึงร้อยองศาได้เร็วนะแต่เราก็ต้องต้มนานหน่อย แต่ก็ไม่ได้มาหายไปนะทาชาตินี้เราไม่ได้บรรลุอะไรมันก็คงจะมีองศาเพิ่มมากขึ้นนะอาจจะเพิ่มไปเป็นสิบหรือยี่สิบองศาเป็นอย่างน้อยแนละ้วก็ตอบไปมันก็ต้มใจไม่ยากแล้วบางทีก็มีคนมาเล่าแบบเด็กอายุในปัจจุบันเนี่นะไม่ใช่สมัยก่อนหรอกเด็กอายุเพิ่งจะสิบสองขวบเองก็สนใจธรรมะนะแล้วก็ไปปฏิทําได้ด้วยเห็นจิตเห็นอารมณ์ต่างๆได้ดีแล้วก็เหมือนกับเข้าถึงธรรมในระดับหนึ่งแล้วนะ บอกว่าโตขึ้นไปเนี่ยจะเรียนหนังสือให้เก่งๆแล้วอะจะมาบวชะะมาบวชก็เป็นผู้หญิงนะก็คงจะบวชบวชเป็นชีไปนะ อ, ะอันนี้เป็นเรื่องที่ปัจจุบันมันก็เห็นแสดงว่าเด็กคนนี้เขาก็ไม่ใช่ธรรมดาน ะ, ะเขาก็เรียกว่า ม, มีมีสะสมมาเยอะแล้วนะที่ว่าเขาก็สามารถเข้าถึงทําได้พวกนี้ก็ะจะเดินเดินหน้าได้เร็วขึ้นเนาะตรงนี้ก็คือมันมันไม่ใช่ว่าเราเป็นสิ่งที่มันสูญหายไปไหนใช่ไหมบางที่เราจบ ตุงสูงนะจบปริญญาโทปริญญาเอกพวกนั้นก็เป็นจบในทั้งโลกมันก็ไม่พ้นทุกหลอบนะมันก็ต้องเบียนดบายนายเกิดนับพบน้ําชาติต่อไปไม่ท่วนแต่การที่เรามาศึกษาพวกนี้มันก็เป็นการสะสมสร้างบารมีไปอถึงเราไม่ได้จบในชาตินี้แต่ชาติหน้ามันก็สะสมมันก็ได้เก็บแต้มไว้นะมันก็สามารถต่อยอดไปได้ไม่ยากใช่ไหมนะบางบางทีเราจะเห็นแม้แต่คนรุ่นรุ่นรุ่นเราบางทีบางคนก็ไม่สนใจธรรมะเลย บางคนพูดเล็กน้อยเขาก็สนใจธรรมะแล้วแล้วก็เข้าใจได้ง่ายเนะี่ยนี่เป็นบา ร, รมีเราต่างกันเนา ะ, ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเราก็มาสร้างบา ร, รมีกันกันไปต่อไปนะคําว่าสร้างบา ร, รมีนี่หมายถึงว่าเราปฏิบัติ ท, ทําต่อนะมันไม่ใช่ว่าเราไปสร้างบา ร, รมีอย่างอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาในมนุษย์นะี่ยเป็นชาตินี้อจุดหมายของเราก็คือทําให้ถึงที่สุดอย่งทุกเท่านั้นเองนะมันไม่ได้ว่าต้องทําอย่างอื่นอย่างที่ได้อ่า มีการที่เราบอกไว้แล้วว่าในพุทธศาสนาก็มีเพียง2 อ, อย่างเท่านั้นคือรู้จักทุกนะให้รู้จักความทุกข์ประการที่สองก็คือให้ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เนีเพราะฉนั้นจุดหมา ย, ยาเรามันต้องมีอย่างเดียวนะมันไม่ได้มีอย่างอื่นก็คือทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นเองอันนี้คือจุดหมายในพุทธศาสนาแล้วก็เป็นจุดหมายที่แท้จริงของเรามันมันอยไปยุ่งกับอย่างอื่นนะมันก็เสียเวลาใช่ไหม บางคนก็มุ่งในการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างอันนั้นก็เป็นสิ่งดีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการแก้ทุกข์ทางใจที่แท้จริงนะเพราะนั้นเป็นการเป็นการอาจจะได้ความสุขบ้างเท่านั้นเองนะแต่ว่าการที่เราสามารถที่จะแก้ทุกข์ทางใจนี่แหละมันก็ต้องมาปฏิบัติธรรมนะให้จเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ทางทางใจนี่แหละอันนี้มันจึงเดว่า ผลทางเนี่ยมันมันเป็นของจริงนะเพราะคนส่วนใหญ่ก็ติดแค่ทานแค่ศีลเท่านั้นเองนะไม่ได้ไม่ได้เข้ามาถึงสู่การปฏิธรรมเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยอาจจะคิดว่าคนที่เข้ามาปฏิธรรมจริงๆเนี่ยมันมีสักสิเปอรนั้นเองนะส่วนใหญ่ไม่เกเปร์เซนี่ยมันจะเป็นแค่เรื่องทานเรื่องศีลเป็นส่วนใหญ่นะครั้ น, นี้ถ้าเรามาไปปฏิธรรมแล้วเนี่ยก็สังเกตนะกายและใจของเราให้ชัดเจนนะอันนี้ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะเราก็กลับมารู้กายรู้ใจของเราอีกครั้งหนึ่ง ให้ชัดเจนเนาะกายของเราเนี่ยเมื่อกี้ที่เราสวดไปแล้วนะอ่าที่พระเจ้าก็ได้บอกไว้แล้วว่าสติปัฏฐานก็มีสี่ประการนะก็คื อ, อกายเวทนาจิตธรรมในทางกายเราก็ตามรู้กายนะอ่ะตามรู้กายในใ น, ในบททั้งสี่คือยือนเดินนั่งนอนนะนะตรงนี้เราก็รู้นะยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้วเดินนั่งก็รู้นั่งนอนก็รู้นอนเนาะอ่ากลับมารู้กับปัจจุบันทำนี่แหละเห็นไหมแล้วก็ อีบบทย่อยในสมัมพันญญาปับพาเขบอกว่ า, าเลี้ยวซ้ายแลกวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยทรงจีวรสังฆาตาิดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจจระปัสสวะก็ให้เรารู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่เนาะอันนี้ก็คือการตามรูก้กายนะอีบทใหญ่อีบบทย่อยนี่เราก็ต้องเจริญในจิตจําหวนเราให้ได้เนาะอันนีนะ้ถ้าเราประบัตในรูปแบบแล้วนะเราก็ นอกรูปแบบนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยครูบาอาจารย์บอกว่าบางทีเราอาจจะบรรลุธรรมจากการปฏิบัตินอกรูปแบบได้มากกว่าในรูปแบบสิกนะเพราะนอกรูปแบบนี่มันสิ่งเราสามารถทําได้ในชีวิตประจำวันเราอยู่เรื่อยๆใช่ไหมอ่าเราก็ตั้งอะตื่นนอนแล้วนะเราก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้นะเราตื่นปับในใ๊บเนี่ยเพียงลุกขึ้นทีเดียวก็ให้รู้สึกตัวซะก่อนนะเราก็ค่อยลุกขึ้นมานะอาบน้ําแปรงฟันล้างหน้า าพับผ่าหมก็จะรู้สึกตัวได้ง่ายขึ้ น, นเดินไปไหนมาไหนต่างๆทั้งวั น, นก็ค่อยๆรู้สึกตัวไปนะไม่ต้องรู้ตลอดเวลาแต่ว่ารู้บ้างเผลอบ้างนะรู้รู้บ่อยๆนะไม่ใช่รู้ยาวๆรู้บ่อย ๆ, อยๆเนี่ยทั้งวันเนาะทำงี้จนเข้านอนเลยนะแต่เรากลับไปที่บ้านเราไม่มีเราก็ต้องให้มีอยู่ในรูปแบบบ้างนะบางทีเราอยู่ในจุดจําวันแล้วมันอาจจะอ่อนไป เราต้องมีเวลาที่ว่าเปิบัติในรูปแบบบ้างะเช่นเดินจงกรมหรือสร้างยังหวะต่างๆเราเนี่ยให้มีรูปแบบเป็นของตัวเราเองสนะักนะระยะหนึ่งนะมันก็จะทําให้เราอนะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการบัดทำนะนอกจากนั้นก็ให้อยู่กับชีวิตประจำวันเราให้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆบ่อยๆทั้งวันเนาะตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะทําได้ไม่ยากเนาะมันเป็นสิ่งทีาเราทําในชีวิตประจำวันได้อยู่แล้วนะ แล้วก็มีเวทนานะแล้วก็มีจิตนะเรื่องเรื่องจิตนี่ก็เป็นเรื่องเราตามรู้จิตใจเรานะที่ได้พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงไว้ว่าจิตมีราคาก็รู้มีราคะจิตไม่มีราคาก็รู้ไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะอ่าจิตมีโมหะก็รู้มีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะจิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นจิตะฟุ้งซ่านรู้จิตฟุ้งซ่านก็คือรู้ตามความเป็นจิตของจิตไปนะ จิตนี่เขาก็สแสดงอาการของเขาอยู่เรื่อยๆนะความคิดต่างๆนี่แหละเราห้ามก็ไม่ได้หรอกอบอกว่าเราไม่สามารถห้ามความคิดได้อครั้งนี้นะเราไปรู้ทันตรงไหนนะรู้ทันตรงที่เขาจะไปปรุงแต่งต่อนะอนะเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเช่นตากระทบรูหูได้ยินเสียงเป็นต้นมันก็จะมีการคิดเกิดขึ้นแน่นอนนะอนะครา้ น, นี้มันก็จะปรุงแต่งต่อว่าเป็นความรักความชังไปนะโลคโกดหลงมันปรุงแต่งต่อในตรงนี้ เราก็รู้ทันในสภาวะความปรุงแต่งต่อใหญ่เขา้าปุ๊ไปปรุงแต่งเท่านั้นเองนะมันมันห้ามความคิดไม่ได้แต่ว่าเรารู้ทันความปรุงแต่งได้นีเมื่อรู้ทันความปรุงแต่งได้เขาก็จะลดลงนะครั้นี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เรารู้เฉยๆนะท่านก็ไม่ว่าเออจิตมีโทสะก็ไปละโทสะอ่าถ้าบอกจิตมีโทสะก็ให้รู้ไม่มีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็คือรู้เฉยๆเท่านั้นเองนะรู้รู้ตามความเป็นจริงแล้วให้เขาแสดงสภาวะธรรมให้เราเห็น ว่าเขาเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่แล้วดับไปนะตรงนี้นะเราก็แค่รู้เฉยๆเท่านั้นเองนะมันที่ครูบาอาจารย์บอกรู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะตรงนี้เราก็สามารถสังเกตนะธรรมะในตรงนี้ได้นะว่าเราสามารถที่จะเห็นความปรุงแต่งได้ไหมนะนะถ้าเราไม่เห็นความปรุงแต่งก็จะไปปรุงแต่งต่อให้เราไปรักไปชังนะแล้วก็ไหลไปในอารมณ์ไปติดอารมณ์นะติดบางคนก็ออกยากนะต้องใช้เวลานา น, านๆกว่าจะออกมาได้ แต่ถ้าเราลู้ได้ทันรู้ได้ไวแล้วก็รู้แล้วก็คือไม่ให้ค่าไม่สนใจรู่เฉยๆนั่นเองนะลู่เฉยๆเป็นผู้ดูเขาก็ดับไปเขาน้อยลงนะก็ยังเกิดขึ้นแล้วก็ดูใครครั้งหนึ่งเขาก็จะเบาลงน้อยลงไม่ให้ค่าไม่ไปคิดต่อแต่ก็ยังคิดต่อเขายังอ ะ, อะไรก็กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้กตัวกลับมาไม่รู้อะไรก็กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้อาการในปัจจุบันนี่แหละเขาก็จะลดลงไปนะอันนี้มันก็เป็นการแทรกแซงสภาวธรรมอย่างหนึ่งนะ แต่ว่าก็ให้เรารู้ทันก็นแล้วกันว่าอะไรมันเป็นอะไรคือการแทรกแซงอะไรคือการรู้ตามความเป็นจริงเนาะตรงนี้เราก็จะได้เกิดปัญญาเห็นว่าเออจริงๆแล้วเขาก็มาแล้วก็ไปนะบังคับบัญชาก็ไม่ได้หรอกนะ ไ, ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเนะี่ยมันก็ไปสังเกตในตรงเนี้ได้นะเพราะนี้หลวงพ่อเขียนก็บอกว่าเมื่อไรที่เราเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นอันนี้อันนี้คือเป็นเพชรแห่งธรรมนะเป็นเพชรแห่งธรรมเลยนะเราก็ อให้ท่านก็บอกให้เรารู้ให้เราเห็นไม่เป็นบ่อยๆนะท่าจะเน้นในตรงนี้บ่อยๆนะคราวนี้ท่านก็บอกว่าอ่าการที่เราเห็นว่ามันไม่เป็นอะไรกับไรนี่ยเป็นมองกุดถึงธรรมเลยคือมันมันสูงกว่าเพชศถึงธรรมนะมันก็สามารถที่จะมองอสังเกตสิ่งต่างว่ามันเป็นภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่มันไหลอ่าไปตามธรรมชาตินะธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองนะมันผู้ไรที่เข้าใจธรรมชาติได้ผู้นั้นก็ สามารถบรรลุทําได้นะก็คือธรรมาชาติของจิตใจเราที่เราบังคับก็ไม่ได้นั่นเองอ่าบางทีเขาก็ไหลไปตามลมต่างๆนะบางทีเขาก็ไปติดไปยึดนะไปอ่าอ่าไปงวงเหนียวอารมณ์ต่างๆเอาไว้นะหรือบางทีเขาก็อ่าเป็นไปตามภาวะที่ว่าก็มีความปิติมีความสุขต่างๆอันนี้คือภาวะของจิตใจเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่ของเราเหรอกเรากําลัองอยากมาให้เห็นว่าตรงนี้มันเป็นการทํางานของใจไม่ใช่เรานะไม่งั้นมันจะเป็นตัวเราตลอดให้เห็นว่านี่แหละ ใจมันทํางานเองมันเป็นเรื่องที่ว่าเราบังคับก็ไม่ได้ก็จึงเป็นเช่นนั้นเองนะถ้าเราบังคับก็ได้ก็ต้องมาว่าอย่าโกรธอย่ารักอย่าชังนะให้มีความรู้สึกตัวตลอดเวลามันก็ทําไม่ได้หรอกแต่ในสุดเ้าก็ไหลไปเขาก็เป็นเช่นนั้นเองเราก็ดูว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองนะเราก็มีหน้าที่เป็นผู้ดูเป็นผู้สังเกตเท่านั้นเองไม่ได้เป็นหน้าที่ไปบังคับไปไหลเขาเนี่ยนี้มันก็เป็นสภาวะที่เราเห็นเห็นในภาวะธรรมจริงๆว่าเราบังคับก็ไม่ได้นะเขาจึง มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาตรงนี้มันก็อาจจะเกิดเป็นเกิดเป็นยาเกิดการปล่อยการวางการมิยึติดนะเพราะว่าสภาวะธรรมต่งตางๆมันก็อเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่ไปไปตามเหตุตาปัจจัยะเราไม่มีหน้าที่ไปยุ่งกับมันเรามีหน้าทีเ่เป็นผู้สังเกตเป็นผู้รู้ทานั้นเองแล้วก็หลวงพ่อกำเขียนก็เคยอเคยเขียนเอาไว้นะนตอนนี้ท่านป่วยหนักเราว่าอ แม่น้ําต่างๆที่มารวมกันน่ะปิ่งบางยมหน้านเป็นมารวมเป็นแม่น้ําเจ้าพญาแม่น้ําเจ้าพญาก็จะนําน้ําทั้งหมดออกไปสู่ทะเลได้ชั้นใดเนาะ <c oughs> การมาทําทั้งหมดก็คือมาสู่การปล่อยวางนั่นเองนะการปล่อยวางการปล่อยวางนี่เปรียบเสมือนแม่น้ําเจ้าพญาที่จะนำความทุกข์ออกไปจากใจเราได้ทั้งหมดเนาะตรงนี้มันก็เป็นสิ่งสําคัญนะว่าเราเมื่อสุดท้ายแล้วเมื่อเราไปบัตธรรมมันก็มีความอยากได้นะอยากได้ อยากได้สติสมาธิปัญญาก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นตัญหาตัวหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเรามีความอยากได้แม้แต่เราอยากอะไรมันก็เป็นเป็นความทุกข์แล้วใช่ไหมคราวนี้ก็เราก็ปฏบัติด้วยความมีฉันทะก็แล้วกันนะคราวนี้เมื่อเราไปฏิบัติรรมเราเข้าใจธรรมะในระดับหนึ่งแล้วจิตมันก็จะรู้สึกว่ามันก็เฉยๆนะมันก็ไม่ได้อยากได้อะไรหรอกแต่มันกลับมาเป็นเห็นแทนนะเห็นก็คือเห็นตามความเป็นจริงแทนว่าทุกอย่างเราบังคับเขาไม่ได้ ก็จึงมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นไปตามเหตุตาปัจจัยแล้วหลังนั้นจิตก็จะการเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นการออกจือปั้ทานได้ตรงนี้ก็มาตรงที่หลวงพ่อคำเขียนบอกไว้นั่นเองว่ามันก็คือเข้ามาสู่การปล่อยวางในความทุกข์มันก็จะจากเราไปทั้งหมดนะมันก็จะมาสรุปในคำอัญสอนของพระเจ้านะในที่ท่านสรุปไว้ว่าสัพเพหะธรรมานารังพินิเวสัยยะนะทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงตรงนี้มันก็จิตก็จะเกิดการปล่อยการวางการมีติมันจะไม่ใช่ตัวเมตตนของเราที่ว่าต้องไปเอาอะไรกับเขาจิตและใจมันก็ไม่ใช่เราทั้งหมดนะมันก็เป็นภาวะอยู่อย่างหนึ่งที่เราไปรู้ไปสังเกตเท่านั้นเองเพราะนั้นมันก็แค่เป็นรูปเป็นนามนะเป็นแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเขาต่างต่างคนต่างก็ทํางานตามหน้าที่ของเขาเท่านั้นเองนะเราไม่มีหน้าที่ไปยุ่งกับเขาแต่มีหน้าที่กาสังเกตเท่านั้นอย่างว่าเนี่ย มันทำงานนะมันจึงไม่ตัวไม่ตนเราบังคับก็ไม่ได้หรอกเราจะไม่ให้เขาทำงานตามเราต้องการไม่ได้เขามีหน้าที่เขาทำงานเข้าไปเราเป็นแค่บูดูเท่านั้นเองนะถ้าเราบังคับก็ได้ก็ต้องให้เป็นตามเราต้องการได้มันก็เป็นแค่สภาวะอย่างหนึ่งเท่านั้นเองว่ามันก็เป็นแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณซึ่งมันก็ไม่ใช่เราแต่มันมีอยู่นะมันไม่ใช่ไม่มีตัวไม่มีตนมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เราเท่านั้นเองนะมันก็ถอดถอนความเข้าใจตรงนี้ออกมาได้นะตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่า อ่าเป็นกลายเป็นผู้ดูจริงๆนะไม่ได้เป็นผู้เป็นเนาะอย่างที่แต่ว่าเราอ่าเราเราจึงไม่ประไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อการละตัวตนถ้าเราปฏิบัติเพื่อการละตัวตนก็แสดงว่าตัวตนเรามีอยู่แล้วเราจึงต้องไปละมันแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นแล้วไม่ได้ไม่ใช่เราตั้งแต่ต้นแล้วนะเราเป็นแต่ถอนถอนความเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตนของเราเท่านั้นเองนะก็ถอนถอนได้มันก็จบไปเลยนะนก็แค่ น, นั้นเองมันก็มาตรงกับว่าที่มันไม่ต้องเป็นอะไรกั็ไรหรอกจากนั้นถ้ามันเป็นตัวตนเราก็ไม่จัดการเน่ยเขา แต่เขาไม่เป็นไรก็คือมันไม่ใช่เป็นไรทั้งนั้นนะไม่ตัวไม่ตนไม่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ต้อไปให้ค่ากับสิ่งต่างๆมันก็เป็นสภาวะที่มันไม่ต้องอะไรกับมันเท่านั้นเองนะมันก็เป็นสภาวะของมันเช่นนั้นเองเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะตรงนี้ถ้าติดมาถึงตรงนี้มันก็เป็นการปล่อยการวางการไม่ยึดติดมันก็มันก็เข้าสู่ความเปนหุกได้ได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันไม่ได้ไปยึดกับอะไรแล้วการที่มันยึดเนี่ยเลยเป็นอวทารในอ ในปฏิจจสุบารก็บอกว่าอุปทานเนี่ยปัจจัยให้เกิดภพเกิดชาติตามมาเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อถึงระดับที่มันละอุปทานได้แล้วเพราะฉะนั้นภพชาติมันจึงไม่มีน ะ, ะการที่เราก็ไปเวียนมาใต้ใเกิดมันก็จบลงมันก็สิ้นสุดในตรงนี้เพราะฉะนั้นการสิ้นสุดของทุกข์ก็คือตรงนี้นั่นเองนะการที่เราะละอุปทานได้มันก็ไม่มีภพไม่มีชาตานะนี้ก็คือหนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเนาะเพราะฉะนั้นใน ท, าท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระตไตย น้อมนำทุท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพานุท่านเทิน